บุ๊กทูหกสิสาการตั้งคําถามสองดิฉันมีงานอดิเรกม้ามกุญชกาดิฉันเล่นเทนนิส สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะคุณมีงานอดิเรกไหมดิฉันเล่นฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ ดิฉันเจ็บแขนบอยมีปาเจดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยบอยมีอ i n oha aruka มีคุณหมออยู่ไหมคะเกรย์เลกัสดิฉันมีรถมามอัตโต้ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย มามีมอตอร์ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะคดีจักรยานยนตดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์มามสเวตเตอร์ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยมามอิบุนดูอาจีนีเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะคดีจัรานย ดิฉันมีจานมามตัดิสดิฉันมีมีดซ่อมและช้อนมามนูชวิดลิชคุอลจิซี่เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะกระเดสูลอเปร